คืออธิกรณ์ที่ตัดสินโดยทำรรโดยวินัยโดยสัตรุศาสตร์ที่ชื่อว่าอธิกรณ์ได้แก่อธิกรณ์สี่คือวงเล็บหนึ่งวิวาทาธิกรณ์วงเล็บสองอนุวาธาธิกรณ์วงเล็บสอาปัตตาธิกรณ์วงเล็บสกิจจาธิกรณ์คำว่ารื้อฟื้นเพื่อพิจารณาใหม่คือภิสูรรื้อฟื้นด้วยกล่าวว่ากรรมยังไม่ได้ทํากรรมทําไม่ดีพึงทําใหม่กรรมนั้นยังไม่ได้ตัดสินกรรมนั้นตัดสินไม่ดี พึงตัดสินใหม่ต้องเอาบัดรพาจิตตี